ภูตคามวัคที่สองสิกขาบทที่หนึ่งว่าเป็นประจิตเีในเพราะความถูกพรากแห่งภูตคามภูตคามนั้นเป็นสรรพิเศษแปลตามพยัญชนะว่าอย่างไรไม่แน่แก่ใจจะกล่าวมากไปก็จะเฝือในที่นี้หมายเอาพืชพันธุ์อันเป็นอยู่กับที่ท่านแจกไว้ห้าชนิดพืชเกิดจากเงาคือใช้เงาเพาะเช่นขมิ้นหนึ่ง พืชเกิดจากต้นคือตอนออกได้จากไม้ต้นทั้งหลายมีต้นโพเป็นอาทิ1พืชเกิดจากยอดคือใช้ยอดปักก็เป็นได้แก่ผักต่างๆมีผักชีล้อมเป็นอาทิหนึ่งพืชเกิดจากมเมล็ดคือใช้มเมล็ดเพาะได้แก่ข้าวถั่วงาหนึ่งกล่าวตามอาาัธกถาในพืชพันธุ์อันถูกรากจากที่แล้วแต่ยังจะเป็นได้อีก เรียกพีชะคามพุทธคามเป็นวัตถุแห่งปจิติีพีชะคามเป็นวัตถุแห่งทุกกฎภิษุพราคเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นพรากก็ดีซึ่งพุทธคามต้องปจิตตีทำลายเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นทำลายก็ดีซึ่งพีชะคามต้องทุกกฎอาบัตในสิขาบทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นสจิตกะเหมือนกัน เฉอยจะสันนิษฐานว่าสิขาบทนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันกันกบสิขาบทห้ามขุดดินกระมังอธิบายทั้งปวงพึงรู้โดยในสิขาบทนั้นสิขาบทที่สองว่าเป็นปาจิตติในเพราะความเป็นผู้กล่าวคำอื่นในเพราะความเป็นผู้ให้ลำบากมีอธิบายดังนี้ภิกษุถูกโจทย์ด้วยอนาจารย์คือความประพฤติไม่ดีไม่งาม และถูกซักอยู่ในท่ามกลางสงไม่ปรารถนาจะให้การตามตรงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียอย่างนี้เรียกว่ากล่าวคำอื่นอีกอย่างหนึ่งไม่ทำดังนั้นถูกซักเข้านิ่งเฉยเสียไม่ตอบอย่างนี้เรียกว่ายังสงให้ลำบากภิกษุทาเช่นนี้มีพระพุทธานุญาตให้สงสวดประกาศข้อความนั้นด้วยยติทุติยกรรม อย่างต้นเรียกว่ายกอัญญาวาทกรรมอื่นอย่างหลังเรียกว่ายกวิเหสกกรรมขึ้นเมื่อสงยกกรรมสองอย่างนั้นขึ้นแล้วหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุขืนทำซ้ำอย่างนั้นอีกต้องปะจิตตีแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อสงไม่ได้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุทำอย่างนั้นต้องทุกกดอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอาจิตกะ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 จะพึงเคารพในสงฆ์ผู้นั่งพิจารณาและให้การตามสัตย์ตามจริงไม่ทำการดูหมิน่นเอาเรื่องอื่นเข้ามากรบเกลื่อนเล่นสํานวนหรือนิ่งเฉยเสียไม่ให้การทีเดียวสิกขาบทที่สว่าเป็นปัจจิตีในเพราะความเป็นผู้พนธนาในเพราะความเป็นผู้บ่นว่ามีอธิบายดังนี้มีเป็นธรรมเนียมอยู่ในหมู่สงฆ์ จะสมมติภิกษุบางรูปไว้ทํากิจสง์เช่นเป็นผู้จัดเสนาสนะให้อยู่เป็นผู้แจกอาหารและอื่นๆอีกภิกษุผู้ไม่ได้รับประโยชน์ที่พอใจเช่นได้เสนาสนะที่เลวและอาหารที่สามคือถูกแสดงให้ไปรับในสํานักของทายกผู้ยากจนไม่ได้ช่องจะไปในสํานักของทายกผู้มั่งมีที่จะได้ของประณีต ด้วยไม่เข้าใจธรรมเนียมที่ท่านแจกว่าอย่างไรหรือด้วยกาลังโทมนัสพูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าภิกษุอื่นอย่างนี้เรียกว่าพนธนาไม่ทําอย่างนั้นเป็นแต่พูดติท่านหรือแสดงความขัดใจของตนลำพังผู้เดียวไม่ตั้งใจจะให้ใครฟังอย่างนี้เรียกว่าบ่นว่าเมื่อท่านทาหน้าที่ของท่านเป็นธรรมภิกษุผู้พนธนาก็ดี ผู้บ่นว่าก็ดีต้องปาจิตตีในคำพีวิพังกล่าวว่าภิกษุพลทนาก็ดีบ่นว่าก็ดีต่อหน้าอุปสัมบันต้องปาจิตตีต่อหน้าอนุปสัมบันต้องทุกกดท่านกล่าวอย่างนี้หมายความว่ายอย่างไรความแห่งสีขาบทหาได้ระบุไว้ชัดไหมนักวินัยพึงดำริหาเหตุดูเถิด พร น, นาหรือบ่นว่าภิกษุที่สงไม่ได้สมมติแต่ทําการสงตามลําพังตนเองต้องทุกกฎถ้าท่านทําการไม่เป็นธรรมลําเอียงด้วยอคติจริงๆโพรวนาบ่นว่าท่านว่าไม่เป็นอาบัติข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจข้อความนี้ว่าถ้าท่านทําการไม่เป็นธรรมพูดขึ้นตามเหตุไม่มีเจตนาจะแส้โทษหรือค่อนขอดจึงไม่เป็นอาบัติ ถ้ามุ่งจะพผนธนาหรือบ่นว่าให้เสียชื่อเห็นไม่พ้นจากอาบัตทุกกฎเพราะไม่เป็นธรรมเนียมที่ดีซึ่งจะพึงอํานวยให้ทําได้สิขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งพิกษูใดวางไว้แล้วก็ดีให้วางไว้แล้วก็ดีซึ่งเตียงก็ดีตัางก็ดีฟูก็ดีเก้าอี้ก็ดีอันเป็นของสงในที่แจ้งเมื่อหลีกไป ไม่เก็บก็ดีไม่ให้เก็บก็ดีซึ่งเสนาสะนะที่วางไว้นั้นหรือไม่บอกสั่งไปเสียเป็นปาจิตตีในสมัยไม่ใช่ฤดูฝนมีพระพุทธอนุ ญ, ญาตให้วางเสนาสะนะไว้ได้ใต้ประรำใต้ต้นไม้ที่นกกาจะไม่ถ่ายมูดรถได้ของสงเป็นวัตถุแห่งปาจิตตี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 เพราะเหตุนั้นเมื่อจะหลีกไปเก็บเองหรือใช้ให้เขาเก็บหรือเป็นแต่เพียงบอกมอบหมายคนอื่นก็ได้ไม่เป็นอาบัตินั่งอยู่ก่อนมีใครมานั่งภายหลังเป็นธุระของเขาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นไปโดยด่วนไม่เป็นอาบัติเอาของเช่นนั้นออกตากไม่นับเข้าในที่นี้สิขาบทนี้ทรงบัญญัติเพื่อจะการความสัเปร่ และเพื่อให้รู้จักถนอมของควรถือเป็นแบบอย่างสิกขาบทที่5ว่าอันหนึ่งภิกษุใดปูแล้วก็ดีให้ปูแล้วก็ดีซึ่งที่นอนในวิหารเป็นของสงเมื่อหลีกไปไม่เก็บก็ดีไม่ให้เก็บก็ดีซึ่งที่นอนอันปูไว้นั้นหรือไม่บอกสั่งไปเสียเป็นระจิตติที่นอนในที่นี้หมายเอาฟูก เสื้อและผ้าปูนอนและของชนิดเดียวกันไม่ได้หมายเอาเตียงเอาม้าซึ่งเป็นของใช้ตั้งวิหารนั้นได้แก่ที่อยู่ซึ่งในบัดนี้เรียกว่ากูดีทั้งนั้นวิหารของสง์เป็นวัตถุแห่งปรจจิตีของบุคคลอื่นนอกจากของตนเป็นวัตถุแห่งทุกกฎของตนเป็นวัตถุแห่งอนาบัติส่วนที่นอนนั้น ไม่ได้ระบุชัดในสิขาบทว่าของใครในอัธกถากล่าวดูทีเป็นของสงฆ์เหมือนกันอธิบายความไปตามนิทานแห่งสิขาบทว่าทำอย่างนั้นทั้งที่นอนทั้งเสนาสนะคือกุดีอาจเป็นอันตรายเพราะปลวกกัดแต่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิขาบทนี้เพ่งถึงการกิดที่กิดทางที่นอนนั้นจึงไม่น่านิยมเจ้าของ เป็นของใครก็ตามก็เพ่งถึงการทําของเสียแกว่าเป็นของสงก็ชอบอยู่เพราะในสิกขาบทกล่าวถึงที่นอนตั้งเตียงตั้งต่างทิ้งไว้ในวิหารแม้เป็นของสงท่านปรับเป็นเพียงทุกกฎเตียงต่างเป็นของใหญ่ตัวกีดที่มากจัดเป็นวัตถุแห่งทุกกฎอยู่ข้างจะเพลาในอัธกถาแกว่าเตียงต่ง หลวไม่อาจกัดกินทันทีตั้งทิ้งไว้จึงเป็นเพียงทุกกฎอันหนึ่งกล่าวถึงวิหารท่านจึงแก้ว่าอุปฐานะศาลาคือโรงฉันและที่อื่นเป็นวัตถุแห่งทุกกฎมีอธิบายในอัถกถาว่าในที่เช่นนั้นอาจเสียเพียงที่นอนเสีนาสนะไม่เสียท่านจึงกล่าวว่าเป็นเพียงทุกกดกิริยาหลีกไปในสิกขาบทนี้ หมายความว่าไปไม่กลับถ้าไปยังจะกลับไม่นับว่าทิ้งของไว้ยังไม่เก็บก็ไม่เป็นอาบัตินอกจากนี้เหมือนในสิกขาบทก่อนสิกขาบทนี้ควรเป็นแบบอย่างภิกษุผู้จะไปอยู่ที่อื่นไม่ควรจะทอดทิ้งสิ่งของของตนไว้ให้กีดเสนาสนะของสงที่ภิกษุอื่นจะอยู่ต่อไปสิกขาบทที่6ว่าอนหนึ่งภิกษุใด รู้อยู่สาเร็จการนอนเข้าไปเบียดภิกษุผู้เข้าไปก่อนในวิหารของสงฆ์ด้วยหมายว่าความคับแขนจากมีแก่ผู้ใดผู้นั้นจะกลีกไปเองทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นปัจจัยหาใช่อย่างอื่นไม่เป็นปาจิตติอธิบายว่าถ้าวิหารนั้นเป็นของสงฆ์และมีภิกษุแก่กว่าหรือภิกษุไข่เข้าอยู่ก่อน ภิกษุใดรู้อยู่เข้าไปอยู่เข้าไปนอนแทรกแสงในอุปจาระคือที่ใกล้แห่งเตียงก็ดีแห่งต่างก็ดีแห่งทางเข้าทางออกก็ดีไม่มีเหตุอย่างอื่นที่ควรจะทําอย่างนั้นต้องปาจิตตีทําในวิหารของบุคคลนอกจากของตนเองต้องทุกกดทําในอุปจาระแห่งวิหารก็ดีในที่อื่นอันไม่ใช่ที่อยู่เฉพาะตัวเช่น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 จะเข้าใจว่าติดต่อมาจากสิขาบทก่อนคือเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียดด้วยหมายจะให้ท่านผู้อยู่ก่อนหลีกไปเองครั้นไม่สำเร็จเข้าชุดร่าขับไปเสียก็ไม่ผิดคนนอาบริขารออกต้องทุกกฎดอธิบายนอกจากนี้พึงรู้โดยในในสิขาบทก่อนขับสัตวิหาริกหรืออันเตวาสิกผู้ประพฤติไม่ชอบด็ดีขับภิกษุ ผู้ไม่สมควรจะให้อยู่ก็ดีจากสำนักของตนไม่นับเข้าในสิขาบทนี้สิขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีซึ่งเตียงก็ดีซึ่งต่างก็ดีอันมีเท้าเสียบคือในตัวเตียงบนร้านในวิหารเป็นของสงเป็นปาจิตติเตียงมีหลายชนิด ชนิดที่กล่าวถึงในสิขาบทนี้เขาทำเอาเท้าเสียบเข้าไปในแม่แคร่ไม่ได้ตรึงสลักเรียกทับศัพท์ว่าอาหัจจบาทร้านในที่นี้คือโครงที่ตั้งขึ้นในวิหารปักเสาเตาหม่อขึ้นแล้ววางรอดบนนั้นสูงพอศีรษะไม่กระทบพื้นถ้าไม่ใช้ปูพื้นข้างบนก็เอาเตียงวางลงไป ให้พื้นเตียงคานรอดอยู่ขาเตียงห้อยลงไปใช้ได้อยู่ทั้งข้างบนข้างล่างร้านข้างบนนั้นเรียกทับศัพท์ว่าเวหาดกูดีข้าพเจ้าเข้าใจว่าเสนาสนะอย่างนี้ใช้กันมาแต่ครั้นคนยังไม่รู้จักทำเรือนหลายชั้นแม้ในภายหลังคงจะใช้ในโรงที่มีพื้นล่างเป็นดินอยู่บนนั้นจะได้ไม่ชืน้น ต้นบัญญัติแห่งสีขาบทนี้ว่าภิกษุรูปหนึ่งนั่งบนเตียงนั้นโดยแรงเท้าเตียงหลุดลงมาถูกศรีรษะภิกษุข้างล่างจึงได้ทรงห้ามไม่ให้นอนบนเตียงเช่นนั้นอันอยู่บนร้านความก็ชัดแล้วแต่อย่างไรจึงกล่าวถึงวิหารของสงซ้ำในคำพีวิพังยกเอาเป็นวัตถุแห่งติกะปาจิตตีด้วยก็พระเจ้าไม่เข้าใจ เห็นความสำคัญอยู่ที่ชนิดของเตียงและร้านต่างหากหรือจะถือว่าวิหารเป็นของสงฆ์ที่เป็นที่อยู่ของภิกษุอื่นอีกด้วยเช่นภิกษุบางรูปจะได้รับแจกเสนาสนะข้างบนร้านบางรูปจะได้รับข้างล่างเช่นนี้ก็พอเป็นได้แต่แปลว่าทรงห้าไม่ให้ใช้ร้านเช่นนี้เป็นเสนาสนะต่อไปเว้นไวแต่จะเป็นของที่ ทำให้แน่นหนาเพราะเหตุนั้นในคำพีวิพังจึงกล่าวว่าถ้าร้านสูงไม่พ้นสีสัดข้างล่างไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่ก็ดีข้างบนปูพื้นไว้ก็ดีเท้าเตียงเท้าต่างนั้นได้ตรึงสลักกับตัวเตียงเมื่อนั่งลงไปจกไม่หลุดลงมาก็ดีนั่งทับนอนทับไม่เป็นอาบัติสิขาบทที่เกว่าอันหนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำซึ่งวิหารใหญ่จะวางเช็ดหน้าเพียงไรแต่กรอบแห่งประตูจะบริกรรมช่องหน้าต่างพึงยืนในที่ปราสาทของสดเขียวอำนวยให้พ่อได้สองถึงสชั้นถ้าเธออำนวยคือให้พอ่อยิ่งกว่านั้นแม้ยืนในที่ปราสาทของเขียวสดก็เป็นปาชิตตีบาลีแห่งสิขาบทนี้เข้าใจยาก ทั้งสับทั้งความข้าพเจ้าไม่อ่านรับรองว่าคำที่แปลไว้นั้นเป็นถูกจะกล่าวถึงแง่ที่ควรพิจารณาก็ยืดยาวเกินต้องการในที่นี้จะขอกล่าวไว้แต่เพียงมูลเหตุแห่งบัญญัติพอเป็นทางดําริษของนักวินัยในนิทานกล่าวไว้ว่าพระชนนะให้พอกให้โบกวิหารทำสําเร็จแล้วบ่อยๆเข้าวิหารหนักทนไม่ไหว ก็พังลงท่านจึงเก็บรวบรวมหญ้าและไม้ได้ยังนาข้าวเหนียวของพราหมู้หนึ่งให้เสียหายพระศาสดาทรงปรารพเรื่องนี้จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ไว้สิกขาบทที่10บว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์รถก็ดีให้รถก็ดีซึ่งหญ้า ก, ก็ดีซึ่งดินก็ดีเป็นปะจิตติ น้ำมีตัวสัตว์นั้นหมายเอาตัวสัตว์เล็กๆอันอยู่ในน้ำเช่นลูกน้ำเพราะคำว่ารู้อยู่อาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะแม้น้ำมีตัวสัตว์ภิกษุสำคัญว่าไม่มีลดลงไม่เป็นอาบัต